อะมาเรื่องเคสสัสดดี้กันบิดาของกัะผมเกิดในครอบครัวชาวนา มีพี่น้องกรมกันหคนพิดาปเป็นบุตรคนที่ห้าซึ่งก็จะได้รับการศึกษาอายุกุลงเลยมาถึงสิบปีแล้วได้ไปรับใช้คุณอาขนาด น, นั้นประกอบอาชีพทนายความและได้บวชเป็นพระภิกษุโดยความสาหัจรึงได้เข้ามาเรียนมัธยมปลายที่โรงเรียนอำนวยศีนพนลพระนครได้สายโกัยเจ้าคุณวัดประคังโคสิตาราม ในขณะนั้นพร้อมก็ได้เข้าศึกษาณนะโรงเรียนนายร้อยทหารบกเป็นนักเรียนนายร้อยหนึ่งในสี่สิบคนของรุ่นปีสองสี่แปดสามเนื่องจากลักษณะการประกอบวิชาชีพต้องทำให้ปฏิบัติปิดศีลปานาติบาตเพราะต้องออกสงครามถึงสองครั้งคือสงครามมหาเอเชียบุรพาที่เขาไปรบณประเทศกัมพูชา เรื่องข้อพิพาทดินแดนกับฝรั่งเศสและสงครามอิโดจีนได้เข้าไปรอบนะรัฐชฐานประเทศพม่ารวามถึงตอนใต้ของประเทศจีนเนื่องจากความกล้าหาญอย่างสูงสุดทำให้กองร้อยของบิดาได้รับการเลื่อนยศทั้งกองร้อยบิดาเองได้เลื่อนยศเป็นร้อยเอกในเวลาหนึ่งปีครึ่งนับจากจบการศึกษาและจอมลอพลปอพิบูลสงครามได้นาเหรียญกล้าหาญ ระดับรเร็วระเบิดพลิงไปมอบให้บิดาด้วยตนเองที่กองร้อยจังหวัดเพชรบูรณ์บิดาเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการสูงสุดแม้จกกะเกษียณอายุราชการแล้วก็ยังปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการในคณะกรรมการปปปที่ดูแลการประพฤติปฏิบัติมิชอบเกียกับทหารน้ำมันและป่าไม้ได้วางรากฐานในครอบครัวด้วยความมัธยัติเก็บหอมรอมลิบ เงินทองที่หามาได้โดยสมาธิิไม่เคยสแสวงหาเงินทองที่อาจได้มาโดยมีชอบทั้งๆั้งที่มีโอกาสตลอดมาในวงางรากฐานในสมาชิกในครอบครัวได้รับการศึกษาดีเยี่ยมบุตรธิดาทุกคนได้รับการศึกษาจากต่างประเทศรวมทั้งหลานชายคนเดียวด้วยในวัยศึกษาและวเรียนิดาได้เจริญสมาธิกับพระภิกษุตลอดมามีความอบอ้อมอารีกับผู้ใต้บังคับบัญชายอยู่เป็นนิสิ และยิ่งกว่านั้นมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเป็นอย่างยิ่งเมื่อกเกษียณอายุราชการแล้วได้มีจิตศรัทธาเป็นประธานสร้างพระอุโบสถและวิหารให้กับวัดในท้องที่บ้านเกิดถึงสองวัดด้วยกันก ร, รมทั้งเลิกเล่าบุรีโดยเด็ดขาดตั้งแต่นั้นมาจบจนอนิจกรรมอาจจะเป็นด้วยเหตุปิดศีลปาาติบาตบิดากผมเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งสมอง โดยได้ปกปิดาการของเราออกมาเป็นเวลา2 0สถึงสปี oh. ก็ผมได้สอบถามจากในแพทย์ที่สหรัฐโดยดูจากฟิล์มเอ็กซเรย์ก็พยายามนำบิดาไปรักษาที่สหรัฐโดยไม่ทราบกระสายไปแล้วเพราะตลอดมาไม่เคยยอมเอ็กซเรย์สมองรวมเวลารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลหเดือนสิริอายุได้8ปอปีเษ oh. โอ้ก็อายุยืนนะแต <Okay. S 1> ่รับพระราชทานเพลิงศพณเมลุหลวงนาพระพราอิสริยาภร วัฒเทพศิรินทราวัลได้เหตุที่บิดาได้เริ่มต้นใช้ชีวิตในวัยเด็กด้วยความยากลาบากอาศัยอยู่รับใช้ผู้อื่นเมื่อมีความเจริญรุ่งเรืองในราชการได้ แ, แสดงความกตัญญูต่อบุพการีและผู้จะเคยให้ที่พำนักอาศัยโดยยกที่ดินให้ต่อมาสามารถซื้อทรัพย์สินที่ดินไว้ได้เป็นจำนวนมากโดยไม่เคยกู้เงินหรือหยิบยืมใครเลยกระผมเนืงเขาความเมตตา หลวงพ่อให้พรสว่างแกกับผมว่าหนึ่งบิดาได้ไปใช้ชีวิตในสัมปรายะพบ น, นที่แห่งใดมีวิมารและบริฟารมากน้อยเพียงใดแต่ระหว่างบิดามีชีวิตอยู่ได้สร้างบารเพื่อจำนวนมากเพราะว่ามีผู้ไตบ่บังคับบัญชา น, นับหมื่นคนอดีตชาติบิดาเคยทำบุญอะไรามาครอบครัวถึงได้เจริญรุ่งเรืองแต่ตอนนี้ชีวิตของบิดายังไม่สมบูรณ์จะทบุญอะไราไปเพื่อช่วยท่านใดบ้าง นี่ก็เป็นคําถามนะจ๊ะที่ท่านป่วยนะ่ะมีทั้งกรรมในปัจจุบันและก็กรรมในอดีตแต่ว่าอย่าเลยนี่ฝันนี่ฝันนะฝันในฝันเล่าฝันในฝันก่อนนั่งขำ ม, มากรรมในปัจจุบันก็ทําหน้าที่รั้วของชาติป่วยเป็นมะเร็งในสมอง มีความทุกข์ทรมารมากเหมือนเคยทํากับข้าศึกนั่นแหละแต่ก็มีความอดทนเป็นเยี่ยมสมชายชาตทาหารเพราะทหารเวลาโลภกันไม่จะไปถึงล้ำกันแบบอลิเกเขาล้ำกันโลภกันทีกระปอกันมาเลยมันลอยเอาตายกันเลยเนะี่ยไม่รู้จักกันกระตังเอาแล้วถือว่าเป็นอาชีพที่เสียสละนะเอาชีวิตปกป้องผ่องภัยเนี่ย แต่สมัยก่อนเนี่ยพอกลับจากรบทัพจัดศึกแล้วเขามาบวชกันนะมาบวชมาทําความดีกันทําความเพียทรทํากรรมฐานแลว้วที่ส่งสนกุศลไปให้คู่กรรมกันนะที่ฆ่ากันเราไม่ได้โกรธเคืองอะไรกันเลยนะหนักมันก็เป็นเบา แ, แต่ว่าหน้าที่ก็คือหน้าที่ก็ตัง้งทําให้มันสมบูรณ์เหมือนไฟกําลังไหม้บ้าน ก็ต้องโดดไปดับไฟเนะี่ตักน้ําใส่กระป๋องไปลาดแน่นอนก็ต้องถลอกบอกเปิดมึงว่าไฟมันร้อนครับแต่พอไฟดับแล้วเนี่ยทั้งหมู่บ้านก็สงบไฟมันไม่ไหม้บบุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปบแต่ก็ต้องเสียสละทำหน้าที่ตรงนี้เนี่นท่านก็เหมือนกันแนะแต่ท่านเปความอดทนดีเยี่ยมทีเดียว ส่วนชาติในอดีตเนี่ยเคยเป็นเสนา บ, บดีเป็นนําบาทผู้วินิจฉัยคดี่อใครทําผิดก็มักจะมีเครื่องมือทรมานให้สารภาพโดยมีเครื่องมือขันชนะบีบศีรษะ<อ>คล้ายๆก ร, รมของน้องปอจํา <ำ S 1> <จำ S 2> ได้ไหมจํา <ำ S 2> <จำ S 1> ได้ครับแต่ว่าทําไม่มากครั<อ>้งไม่มากครั้งเหมือนน้องปอง ช, ชาตินั้นแต่ก็ เสร็จกรรมยังมาเกื там, 30, ้อหนุนกรรมในปัจจุบันนี้บวกเข้านเข้านก็เลยทำให้ท่านป่วยเป็นมะเร็งในสมองแต่ว่ามีบุญที่ทำให้พุทธศาสนาก็ทำให้อายุท่านยืน81ปีถือว่ายืนนะก่อนจะละโลกท่านก็พยายามข่มความเจ็บปวดที่ศีรษะซึ่งปวดมากอย่างแรงกล้าและท่านก็พยายามนึกถึงพระตามที่เคยบทเรียนศึกษาเอาไว้น่ เพราะฉะนั้นตอนก่อนจะละโลกจะมีภาพการออกพรบสหรับกับภาพชีวิตข้งตัวเองที่เติบโตเรื่อยมาเป็นภาพของความดีบ้างปรวมทั้งภาพที่มีดีข้งตัวเองที่ทาไว้ตั้งแต่ตอนหนุมม่มบ้างถ้าให้ใจของท่านเนี่ยไม่หมองแล้วก็ไม่ใสแล้วก็หลุดออกไปจากกาย วนเวียนเจวันอยู่กับครอบครัวแล้วเจนนทียมโมโลก็พาตัวไปเมื่ออยู่ต่อหน้าพยายมราชก็ถูกซักถามเรื่องบุญและบาปเห็นไหมถ้าไม่ได้ถามว่ารบกันยังไงใช้อาวุธยังไงอาวุธนั้นยี่ห้ออะไรสร้างจากโรงงานเท่าไหร่โรงงานไหนไม่เลยมแต่บุญกับบาปแล้วก็มีภาพฉายเห็น ก็เห็นทั้งภาพตัวเองที่เคยบวชเรียนเคยปฏิบัติธรรมเคยสร้างบุญกุศลต่างๆเอาไว้บ้างเช่นสร้างโบสถ์ช่วยเหลือคนมีความกตัญญูกับทวีทีเป็นต้นบุญที่ใหญ่สุดรู้สึกจะเป็นบุญที่เคยบวชเรียนเอาไว้ทำให้คุ้มอบายเพราะตอนบวชเรียนนั้นก็ตั้งใจเป็นพระที่ดีบุญอื่นก็เสริมเลยทําให้ ไปเสวยผลบุญก่อนอบาปยังไม่ได้ช่องแต่ว่าบุญหมดเมื่อไหร่ก็ต้องไปเสวยผลบาปบแต่ถูกนําไปเกิดเป็นกุมพันในชั้นจัตุมหาราชิกา<อ>มีวิมานทองของตนเองใหญ่พอประมาณแล้วก็เป็นหัวหน้าชุดของกุมพัน<อ>ที่จะไปทํางานอยู่ในยมโลก โ, <อ>โดยภายในหนึ่งปีสวรรค์ชั้นจัตุมหาราชกา จะต้องลงมาทํางานสามเดือนอของชั้นจตุแต่ว่าได้รับบุญทุกบุญที่หลวงปู่ที่ส่งไปให้ทําให้สภาพนั่นแนหะดีขึ้นครับที่พ่อเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเพราะเคยทําบุญในพระพุทธศาสนาเคยร่วมสร้างวัดเคยบวชเคยถวายที่ดินในอดีตได้ทําให้ชีวิตเนะี่ยรุ่ ง, งเรืองในระดับหนึ่งครับ แต่ที่มาเกิดในตระกูลชาวนาก็เพราะมีทิฐิมานะจัก oh. ดูหมิ่นและถือตัวว่าตัวเองเกิดในตระกูลขุนนางในชาติจะเป็นอำมาก s right. <S ที่วินิจฉัยนั่นแหละซึ่งทำความดีและไม่ดีปนเปนกันมาเนี s right. <S ่ยไอ้มาถือตัวดูหมิ่นอะไรแล้วก็ชีวิตมันตกต่ำ s right. <S บุญไม่ได้ช่องแต่บาปดึงมาก่อน ลูกจะต้องทำบุญทุกบุญให้มากโดยเพพาะนั่งสมาธิให้เข้าถึงนมกายแล้วทิดบุญนี้ไปให้ท่านท่านก็จะได้มีสภาพที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะบาปเก่าของท่านก็มีและกำลังติดตามให้ผลอยู่แต่ยังไม่ได้ช่องแต่หากว่าท่านได้รับบุญมากๆก็จะได้หนีพ้นไปได้และหากว่าลูกหรือหลานได้ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงน้มกาย เราไปชี้แนะนำท่านในตัวเองให้ท่านได้ปฏิบัติธรรมก็จะพ้นจากสภาพกุมพันได้และชีวิตในภพสุขติโลกสวรรค์ก็จะสูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของแค่สติสั้นๆนะจ๊ะ